นะโมตัสสะสัตวะตัวอรหัตตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะสัตวะตัวอรหัตตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะวะตอวรหัตตสัมมาสัมพุทธสุขวิปุจัตุสุโยตเ อินมาตาฉันมาตรียายัต า, า, า, าอัโตตาตายัตมันจจมมตีต๋ยต า, <c oughs> า, า, าจังฉันโมโตตะโตเตียนาโอปาณีจะได้จะแดงคำนี้แต่ขาทครนาตาแครนาันสังตองตอ้งองเต้นเด็ดพระตีนพระธาตจ้า พอเป็นเครื่องประภับแต่ฟ อ, องสล้องจัชฌาเห่งชั่นวิตัสสนาตุนิปจนทั้งหลายวันนี้เป็นดันอาสารหะบูชาเป็นวันที่าขั้มแห่เดือนอาสารหะคือเดือนแปองค์เนเดชพระผูนี้ท่านหาเจ้า อ, อนุญาตหรือบัญญัตให้พระที่สื่อ ส, สามเสามื่อเนินจำพรรษา ทำมาจำพรรษาเจออยู่ในสถแบบานที่จำกัดปกติพระที่ตัวสามแณรนอกพรรษาคือในแหล่อธิฐานย่ำเที่ยวไปเที่ยวมาในสถานที่ต่งตางๆแต่แถ่าถึงเรียนจหรือถึงไะดูผลาได้เข้าพษาเจออยู่จากัดทุติตามเรองใดเที่ยวไปข้ามคนที่อื่น ได้นมีเหจเป็นอยาเที่ยวไปตางเทอใจอต้องเป็นองค์ส้นเดชพระตะเจนสัมมาสามพุโตเจ้าปราบอาบัเศิดนั้นตารจาทรรษาจึงเป็นเบี่ยงจำัดอยู่เป็นที่เป็นขานตลอดการ ต, ตายมาสามเดือนเบียอยู่จำพรรษาการจาทรรษามีแนวต่แต่องค์ส้นเดชพระัมมาสัมพุโตเจ้าเบี้ยงส้น แต่เระเองตัดสแล้วใหม่ๆคือชิสงยังไม่มากมาต่าจอนรดยังไม่มีตามบรรดจำพรรษาถ้าชิจูสามมาเนีนจะไปจะมาทางใดต่สะดวกกายสบายใจต่อมาพิจูสามาเนียนมาเท่าน้าฝนได้เที่ยวต้นจรใจมาตามถึงมาหรือตอนป่าตางเขาต่างๆต่อสืบพันนา ฆ่าได้ไถนาวัวควายแค่แต่ตื่นไปเกราะที่สื่อสาร ม, มาเนินหรือนอกจากนั้นหยัดธน า, าเขาเมื่อเป็นอย่างนั้นเกิเดความเหลือร้อนขึ้นจึงได้มาร้องฟ้องถึงเที่เป็นเจ้าของเราถ้าองค์เห็นบาปควรจะจำพรรษาแต่พระที่สื่อสาร ม, มาเนินอยู่เป็นที่อระยะเสามเดือนจึงบัญญัติพรรษาขึ้นนี่เป็นเรื่องต้นที่จะบัญญัติพรรษา วันนี้เป็นวันเบี่ยงเ้นที่จะเท่ากันตาเป็นวันจำคำอันหนึ่งคือเรียกว่าวันอาสาราหะบูชาเป็นวันที่เองต้นเด็ดแท้าต้นงามาตามพระเจ้าของเราแสดงธรรมมาจากกักรวาลแปดสุแก่พระเดินจักรีสืบตายอิสุสัตาานาลิขพาญยวนของเมืองสาลาณี เพื่อนบ้านสัญ อ, อย่างนี้แหละพวกเราท่านทั้งหลายจึงได้มาไปชุมกันเพื่อเราเล็กนล็ยถึงองค์สนเด็าจาพระเจ้าันธ์สัมมาสัมพุทธเจ้าวันนี้พระองค์จะเดิมมเนไปชมพระเทีนา่าจะรู้มาเป็นเวลาจะเดินหกเพลเนจนถึงจะถ้าวันวิสาอะอาสาฬหาบูชาจึงได้จะเดงนมมทำพระทเทียนนาวจะพาเดินจ่ายวิถีทาา การแสดงธรรมก็คือธรรมมาจากจักรพรัดิตสน่หสูดแสดงเรื่องอริยส ذا, ัจหรือแสดงทางผิดในเสียที่สุดเดินใจวัรคืฝตั้งพระเดินใจวัดคือตั้งให้สระดับจัดตั้งทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นแต่ผมมาเทียนเสนอัญญาเป็นธรรมะซึ่งเป็นหัวแน่ของที่ของที่สูตรนั้นๆได้เดียงตายันาม จะได้จเร็จพระเสดตดาบันขึ้นในวันนี้ท่านจึงว่าพระนเรศวิสพ์ครบแด่ดีบุญในวันนี้เป็นวัน้ำคัญอย่างนี้ท่านสาสนามิจึยอมว่าเป็นดันมาหามงคลตลอดถึงทางราชการงานเมืองท่านจะหยุดราชการจน์ให้ครบเสนอไมให้ทางานแต่ละเ็กเล็ถึง คบถ้ทาทำทายสงหรือทำบุญฉิมทานต่างๆเกือนนั้นพวกเร้ท่านทั้งหลายได้อุตสาห์พยายามมาแต่ทำบรรเทียบุญวันนี้ตั้งตแต่เช้าก็มีการแตาวยาหสะอาดน่านฝนตลอดถึงถวายอหาหารการบินท่าบาทจะมาทานศีลตอนเย็นมก็จะทาตันไหว้พระต่างพรเสวดมนตหนอกจากนั้นก็ยังมีการ เวียนเพี้ยนกันการกระทำบำทําเพียนของพวกเราท่านในวันนี้น้าว่า<ม>เป็นผู้ดันเนนเดินตามอาริยาตเทนมีของพระพุทธเจ้าเศษนั้นการกระทําบัมเพ็ยนของเราโชคขึ้นโชคเตืนซึ่ ง, ง, ง, งเรียกว่ากระทำบำทําเพียนบนกุศลบนกุศลคือหวกเรา จะทาบำเพ็นนี้องค์เซนเดชติณีสีามมาจำมาจำพุทธเจ้ากาล่าวว่าเป็นทายที่จะนำความสุขความจเจริญมาให้สมกรัทธาจุดคือได้ยกขึ้นบนเ้นว่าสุขขอเป็นญาติาอุทยโยการจงสมขึ้นซึ่งบุญนำมาซึ่งความสุขดังนี้ความสุขจะมีทางตายจะมีทางใจก็ออาศัยเรื่องของบุญของปุถุนชนไมว่าความสุข เราไม่ได้ใ่ทำบำเพ็ญอย่างไรความสุขใจจรมาสู่กายสู่ใจของเราอย่างนั้นยอเย็มไปไม่ได้ความสุขเกิดจากเกคือารแต่ทำเกิดทางกาางวาจาทาใจพางกาจะมีทางตาได้ทางวาจาจะมีทางสายตาใหญ่ท่องบนลรือกี่ยบนต่างๆทางใจก็ละเลเกิะทึกถึงเอง สนเด็จพระปู่มพระธาจ้าร้านทางพระธรรมและพระสงฆ์เศษนั้นบุญกูรเชนที่พวกเราท่านผู้ใดาชนิจใจเชนสระทำบำเชนในวันนี้จึงครอบในสามทวานพอดีและเรื่องนอกจากนั้นการกระทาบำเชนการกรรทบุญทางทานพวกเราก็ะดิดบริจา สิ่งของหลายสิ่งหลายแต่การเพิ่มเตินว่าดอกไม้ทุ่มเพียรหรือผ้าต่นตอนจนสบายตลอดถึงน้ำ ม, มันหรืออะไรต่างๆนับว่าเป็นผู้ที่เสพอายุพระพุทธศาสนาได้เห้เจริญฐ า, านความต่อไปอันหนึง่งการกระทำบานางเรื่องของการให้ผ้าอาบน้ำฝนบางท่านบางคนก็จะไม่รู้จกักประวัติการให้อะผ้าอาน้ำฝนเป็นมาอย่างไร ข้าพเจ้าทรงบัญญัติภาพน้าฝนไว้ในพระตาติโมกเหมือนกันกับชาอื่นๆในสิทธะบทที่สีอแห่งนิสสคีตาจิตติท่านก็ทรงบัญญัติไว้ในสิทธะบทที่เก้าแหงตาจิตติจตนาวัตท่านก็ทรงบัญญัติได้เหมือนกันแต่ก่อนภาพน้ำฝนจะไม่พิพากัน ยังไม่มีเกิดเพื่จะบัญญัตภาพน้าฝนเกี่ยวกับนางฤาษาขามหาอุบาส่ตาซึ่งเป็นอุบาส่ตาใหญ่ในพระพุทธศาสนาของพระสมณะโคโดมของเราท่านมาเข้าไปในวัดวันนั้นไปบูชาพระรันาตนใจไปบูชาดอกไม้ผูกเพียรไปเอวนบูชาพระรันาตนใยเสร็จฝนก็ตก พอฝนตกที่สุอยู่ตอนกุฏิต่างๆอาดันเดือดใจลงไปอาบน้ำฝนอาดันทุกเหวนทุกเแ่งเพราะไม่มีผ้าอาบน้ำฝนนาเหวินเขา้าเสะยเสยงนึกละอายในใจเปิดใดพระที่สูงถึงคำอย่างนี้คิดแล้ว ก็เลยได้ไปจัดผ้าาน้ำฝนมาถาวายพระพิสุสงฆ์ก า, า, า, า, า, ารตำราสาวามีผ้าอาบน้ำฝนถึงพันหา้ารอถุงเข้ามาถาวายพระพุทธเจ้าและพิสุสงฆ์ไต้แต่นั่นมาจึงได้บัญญัติให้พระพิสุสงฆ์มีผ้าอาบน้ำฝนในวิสาขะเป็นคนแรกที่ถวายผ้าอาบน้ำฝนในพระพุทธศาสนาของเราแล้วก็บัญญัติให้พิสุ ก่อนจะเข้าพรรษาก่อนจะถึงฤดูฝนมาระยาเดือนหนึ่งให้แสวงห า, งาผ้าอาบน้กฝนเมื่อได้มาแล้วยังอีกหนึ่งเดือนให้ทำหนึ่งหอมมีในพระตฏิโมกอย่างนี้เหตุนี้พวกเราท่านทั้งหลายได้าทากันถวายผ้าอาบน้ำฝนต่ตามทําตามประเจีมีของพระอริยเจ้าในวิสาขาเป็นเหนังให้บาซิตาและเป็นพระอริยะบุคคล <c oughs> พวกเราชื่แต่ทําบําเพ็ญ แต่ จ, จริงว่าทำตามอริยประเทนิอันหนึ่งอันที่สงของการสลายธาตุน่าสนบางท่านบางคนเคยจะ่รู้จักขันตายไว้ในตำราว่าสมัยมศาสตนาของพระมหาตักตะรรมีหญิงคนหนึ่งชื่อว่าอมายาชาสีวันควรจะเข้าพันษามีมะ อุบายโศอุบายที่ตานั่มผ้าไปถวายเป็นผ้าอาบน้ำฝนยิ่งคนนี้เกิดศรัทธาแต่สาทะยินดีอยากจะถวายผาอาบน้ำฝนกับเขาแต่เทราว่าเป็นผ้าเขาเป็นผาสีเขาเป็นคนอดอยากยากจนเป็นที่แต่เทราว่านายมีมตัทธาเจ้าในจิตในใจของนายแล้วก็ไปรัน มารดาของตนตอบว่าดิฉันอยากจะขวายผ้าหาาน่าฝนถ้าเองขึ้นแน่มีดมนี่ไหมแม่แต่ว่าเราเป็นคนอดอยากยากจนจะมีผ้นม า, านแต่ไหนแต่ไม่มีผ้าจะให้บุตรที่ดาของตนไปถว า, ายให้ตับเขาน่าคิดเช้นกุ้มใจร้องใ ห, งหง้ไม่รู้ว่าจะทํำอย่างไรมารดาเห็นอย่างนั้นจึงบอกว่า ก็้คุณบอกให้นาะยไปขึ้น่าตัวกับนายของนตนนายก็ ว, ว่า่าติที่ให้แต่นายสมควรแล้วพอดีแล้วไม่มีชาที่จะขึ้นอีกนายก็ยังไม่วายลยตามที่จะถวาย่าตินอยู่ว่าความ์น็กคิดหาทางที่จะถวาย่าตน้านให้ได้ท้าเอ็นก็เลยคิดว่าอย่างไรก็ตาม่าที่เราเนิ่งอยู่นี้แหละ จะเอาไปถวายเป็นผ้านำฝนให้ได้อุตอส่าห์พยายามผูกอดสูกทนความอายเอากระละผ้าที่นุ่งอยู่ไปตักฟอกดีแล้วก็นําดอกไม้ทูบเทียนและผ้าของตนเข้าไปถวายแต่ผ้าที่สูสงส่งตามถวาต้องนายเมื่อถวายผ้าที่สูงสงแล้วนายจะตั้งใจอธิษฐานว่า แต่ น, นี้ต่อไปขึ้นชื่อว่าความอดอยากยากจนเส้นใจไร้ทัพอัอกัญญ า, าข้าพระเจ้าเกิดมาในภพใดชาติใดกาลใดสมัยใดเมื่อไรยังไม่ถึงพระนิพพานความอดอยากยากจนยากชาตินี้ขออย่างให้เกิดเทียมีแก่ข้าพระเจ้าเลยและในอวัยสารขอให้ข่าพระเจ้าเจงได้ เพราะพไะพุท้าได้ฟังธรรมเฉพาะคาถาของพระองแล้วให้ได้บรรลุธรรมถึงพระนิพพานความสร้งางศาสนาของพองในศาสนาอย่างนี้พอในศาสนาอย่างนี้ตกหัว อ, อุทิศบนกุศลคืออะไรแต่ทำบำเพ็ญในชานี้จะขาดแท้ขาดทั่วไปไม่ได้จะอยู่ที่ไหนขอให้ได้รับส่วนบุญคือพราพุะเจ้าอุทิศไปนี้พอในอุทิเศเสร็จเท่านั้นเสียง ส่า้างสาทุปานของเสดพระยด า, ใ, า ใ, นในหมื่นโลกเป็นบาทนานวันไหวด้วยอำ น, นาจบุญกุศลสีนางวิทให้หนีเรื่องในตำราเป็นอย่างนี้ต่อมาพอดีได้เกือวันนางไปหาคืนหาคืนมาถ้าเอวนถ้าลายชาเดสดเป็นหนาบดไปพบหญิงอมายยทาสีกำลังหาคืนมา พอเห็นเขาด้วยอำนาจบุญกุศลของนางที่ได้ทานธาตุนำฝนสลระธาตุหนึ่งของตนออกให้ทานอย่างนั้นพระราชามหา ต, าตระจักรสืพัทนทุเกิดความปฏิพันธ์และไข่ยใจดีกับนางและถามนางว่านางมีสาหนีหรือไม่นางก็ตอบไปว่ายังไม่มีสาหนีพระราชายินดีเลยรับ อาในสิ่งราชรถไปตั้งเป็นอาชาบัยเฮศีนั่นแหละอนนริสงปัจจุบันท า, นตางตาในอมัยยะาศีให้วามผ้าอาบน้ำฝนได้เป็นข้าวยาของพระราชาเป็นอาชายาหรือเป็นมาเฮศีเป็นลาที่มีไปว่าอนนริสงปัจจุบันนางไม่มีความเอดอยากยากจนเป็นจอมของคนเป็นจ้าของมนุษย์เพราะเป็น พระเออลาที่นือของพระจ้าเผนดินขั้นต่อมาถึงการถึงเวลาอายุขัยนางก็เรื่องลับใจได้เกิดที่สวรรค์ขั้นดาววัดดึงเป็นบริวารของพาะสีอริยเมตไปอะไรอย่างนี้โดยอำนาจกุศลตนบุญเื่อจะทำขนาดนั้นแหละส่งส น, นไปให้ ใยเมื่อนางเป็นมนษุษยนางก็ดเป็นพระลลยาเป็นพระมหาเรียร์ีของพระมหาจักรพรรดท่านจิติเพื่อนที่หรือตายไปจากชาติมนษุษย์นางก็ ไ, ไปเกิดเป็นเทพธิดาอยู่ที่ชั้นป้าดาวดินมีป้าศาสูงได้ตั้ง15โยชนมีบริวารต่างหลายพันท่านถึงป้าศาสแานาะถ้าถีอริยะเนตรใจนางก็จะ มาเกิดพร้อมกันในศาสตร น, นั้นทางธรรมธรรมสั่งสอนของพระสีอานิย่าเดชใจ น, นางควจะบรรลุธรรมได้เป็นพระอรหัดตัจจิเนชาจากกัณดานนี่แหละการให้ทามทหาหา่าอานาผนท่านกล่าวว่ามีอนิสงส์อย่างนี้ในตำหลับํำลาการให้ทานทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละทานน้ำมันตามําราท่านกล่าวว่า เนบุญเป็นกุศอันยิ่งใหญ่ไพศาลอย่างไพสิษฐ์เลาอันนโดพระราโดหัวติวัตถาโดหวติวันนาโดยานโดสุขาโดหติทีตาโดหติักคุโดคนที่ได้ทานข้าตาอ่างสนอย่างพวกฉันพายภายยตาเคยถวายมาเ้อกี่ไหนเจอไอ้พระพุทธเจ้าเจ้าว่าผู้ที่ให้ทานข้าวตาอ่างสน แสัตว์ต่อตามแก่มนุษย์ต่อตามแก่ที่สื่อสามาเนียนต่อตามได้เจริญให้กาลังเปลียนผ่านหรือให้ชีวิตเปลียนผ่านเพราะสัตว์ทั่วไปจะมีกําลังบางตาอยู่ได้ก็อาศัยอาหารถ้าไม่มีอาหารสัตว์ทุกอย่างย่อมจุตายไปคงทน อ, อ, อยู่ไม่ได้พวกเราทั้งหลายแต่อพอจะรู้จัก ด, ดันใดคือเราหริว อ, อาหารหรือทางหาัเราไม่ได้ทานอาหาร รู้สึกเหน็ดเหนื่อยอาหารไปในทานน า, า, านๆก็เหี่ยวแห้งไปหรือตายไปแัดทุกอย่างก็เหมือนกันผู้ที่ไห้ทานอาหารเป็นต้นว่าข้าวปลารหรือน้ำอะไรต่างๆกินคือบริโภคขสันได้แต่ส่วว่าอาหารทั้งนั้นผู้ที่ได้ได้ให้ทานอย่างนั้นแหละ ท, ลท่านกล่าวว่าให้ชีวิตเป็นพานผู้ที่ได้ให้ทานอย่างนั้นแหละจะเป็นผู้ที่มีกำลัง แ, งแรงต่อไปใน คบอย่างนั้นผู้ที่ได้ใหทานท่าพร้อมท่านสบายจะชี้ตูดมาเนณีหรือคนอดอยากยากเชื่อต่างๆเชา่อตาว่าใหวันมา้เป็นทานเพื่อให้ความเสวยงามเป็นทานธรรมดามนุษย์เราเรื่อว่างกาตัวจะสวยสดงดงามสัตว์อะไรสดตามถ้าไม่มีเครื่องสดับแต่ดางไม่มีผ้ามีแพรไม่น่าดูเท่นั้น เหตุนั้นผู้ที่ให้ท่าพร้อมสบายเป็นทานแทนจึงวางให้วันละเป็นทานพื่อให้สรางงานเป็นทานคนผู้นั้นถ้าหางว่าจากโลกอันนี้ไปจากร่างกายอันนี้ไปตายจากชาตินี้ไปบุคคลผู้นั้นจะมีสาาร้างงามราศีรูปร่างกายจะดีเลิศสดงดงามไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายใจเห็นเท่าก็ชอบอกพอใจเพราะร่าายเป็นไปเพื่อความ เป็นกสน่งามผู้งามตาของผู้ที่ได้เห็นได้ทัดทานเหตุนั้นพวกเราท่านทาั้งหลายได้แต่นนทําบําเพ็ญให้ผ้าก่อนทนมสบายทามเกื่อนที่สุสานเมนในวันนี้ก็ได้ชื่อตนเองในวันนั้นเป็นทานในตามต่อไปทั้งหน้าเราผู้ที่ได้แต่ทานแอได้แต่ทําทานไว้ก็จะไปสบพบความ ง, งาม ตามความปราถนาเป็นนี่แหละผู้ที่อยากจะเสียสดงดงามในทั้งหน้ า, า, ากานวาให้ทานข้าวปอนเ่อนสบายเป็นเป็นทานผู้นั้นจะต้องการความเสียสดงดงามได้ทำอย่างนั้นยา น, นเดียวสุขโดโหติผู้ให้ทานยานทางแค่นั้นยานทางนั้นแต่เตากอนกระไ้พุทธเจานมีเตียงเรืเรือนและทานสามเท่านั้น แต่ทุกวันนี้ยานทางฮนะของพวกเรามีมากขึ้นเพราะส่วนวิทยาศาเจร์เจอต่างรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์รถอะไรต่ออะไรตลอดถึงเชรื่องบินมีมาะการให้ทานยานทางฮนะทางอาหาเราไม่มีรถมีเกียรที่จะให้ทานเรามีกระตสปั๊กใจเช่นนี้ทำไมไปตกลึมตกล่อเหยียบข ว, วเดเหยียบน้ำได้ ต่เพอไม่มีแสงสว่างกลางวันคือเราไปมาไะดูดาจสบายใจตเพออะอาศัยแสงสว่างของพราอาทิตย์ตั้งเชือมผ่าเดือนหนอเราก็อาศัยแสงขอเดือนนั่นแหละไปมาหาสู่สะดวกแต่ถ้าเทว่าเดือนมืดก็จะต้องอาศัยดวงไฟตะทิศถูกเทียนหรือตะเทียงไฟ้าต่างๆแน่เช่นที่ ไปมาถึงจะไปสะดวกสบายนอกจากนั้นจะเดินจงกรมภาวนาหรือจะดูตำลักตำลาทางพระศาสนาก็ต้องอาศัยแสงไปถ้ามาอย่างนั้นมองไม่เห็นเพราะกางคืนตางคืนเป็นอย่างนั้นเศิดรนั้นที่ใ่้แสงตาเป็นทานคือให้จะ่ที่ถูกเทียนน้มันเป็นทานตัวนั้นแหละจะมีตาสว่างสวย ต่อไปนี่ยพบหนึ่งเนี่จะเป็นคนที่มันมีต า, าต า, าต า, า, ต, า, าตาเดงตาแสบแต่ไม่เป็นคนตาบอดตาเสียเพราะอันหน้าชื่อใ้แต่ที่ถูกเคียยนหรือน้นอมันเป็นทานนี่แหละการให้วานที่เราต้องตามอย่างไรก็ให้กินนั่นไปแล้วความดีที่เราให้ไปจะสะท้อนย้อนกลับมาหาตัวของเรา ปาถนะัดยืดยิดเย็นยองคงโยตาถนะดกำลังลางตาแสงเราก็ต้องให้าตาอาหารเป็นทานตาถนะัดร่างกายสวอสดงดงามก็มกมให้ข้าพร้มสบายเป็นทานตาถนะัความสุก็ให้ยานทาน่าเป็นทานปาถนะัสงตาสว่างสวัยด้วมีตาชิดในเมือ่อแต่เพืปฏิบัติถึงขีดสุดมิหมดเป็นานได้ เปิตาชิดขึ้นยานดูอะไรมองเห็นได้ไปเป็นของละเอียดสัจเท่าไรวย่างจิตใจของบุคคลผู้อื่นหรือเทปพระบูเทปพระธิดาซึ่งก้องโทรทัศน์สมัยปัจจุบันยังส่องไม่เห็นแต่ท่านผู้ที่มีตาชิดย่านส่อเห็นมองเห็นเราก็ต้องให้กระเทือดถูกเปี่ยนเป็นทานมีพวกท่านผู้ใจสายตัวนี้ใจชมทั้งหลายวันนี้ ได้แต่ทำบำเพ็คุณงามความดีทั้งสี่อย่างที่อราที่ได้มาครบพอบริบูรณ์เช่นนั้นยึ่งหน่าอนุโมทานายิ่งหน้าเคลื่มใจในการแต่ทำคุณงามความดีของพวกผ่นผู้แุ่งายตันี้แตเชินทั้งหลายเช่ดนั้นความดีที่พวกเราแต่ทาบำเพ็ไว้ไม่ว่าชิ้นใดส่วนใดที่แต่ทำไป้วยใวาจโดยรายชาโดยน้นใจโดยความเชื่อความเลื่มใสทั้งเต็ ผลทความดีนนนั้นจะจับมาหาเราหรือจะส่งขนให้เราได้รับความสุขความเจริญในโลกนี้และโลกหน้าเศษน้ำมูลขัวผลทุกเส้นทุกส่วนทุกสิ่งทุกกาการอย่าไปเข้าใจว่าเป็นของเล็กน้อยเล็กน้อยจะไม่ให้ผนแกิดตนขนที่ให้ไม่หยุดไม่ถอยถึแต่เล็กน้อยเล็กน้อยก็ตาม ก็อาช้ามาถึงจะมากมาย่ายกองขึ้นได้เหมือนกันกับเม็ดถีดเม็ดตายหากเราขนแนาทีเม็ดคือหน่อยไม่หยุดไม่ถอยก็จะเป็นกองใหญ่ขึ้นเป็นข้าในนาของเราเป็นต้นเรียงเรื่องหนึ่งก็ไม่มีกี่เม็ดแต่หากว่าวเราเจ็บไปหยุดในถอยทั่วทุ่งลยเอามา ก, กองกันขึ้นก็เป็นกองใหญ่อาช้ามาถึงจะ เลี้ยงครอบครัวของตนตลอดซีได้หรือสามาที่จะได้ซื้อได้ขายของเล็กน้อยนั่นแหละแต่เจ็บไม่หยุดไม่ถอยมันก็มากขึ้นเองการกระทาบัณ็์บุญกุศล เ, เป็นเครื่องล่าไหว้พระเสดจมนหรือไหว้ทานรักษาศีลก็เหมือนกันเราทำทุกเช่นทุกวันทุกคีทุกเดือนหลายครั้งหลายทียทก็ทวีคูณมากขึ้นเจ็บนั้นจงพากันอย่าประมาท ในการสืบเส้ต้องเป็นและและน้าท่านจ๋าอย่างมีต่อพากันสมาทานคุณทำดีต้องเป็นไว้แต่จำตัวคุณงานทำดีที่จะสมาทานเอาไว้เพื่อเป็นกัจจะรักษาใจต้องเป็นให้เป็นคนมีตัดมีจริงจะเป็นต้นว่าจะสมาทานว่าพระทุกวันเมื่อขาดก่อนจะนอนหรือจะนั่งภาวนาทุกวัน หรือจะให้ทานจากบาตทุกวันอย่างนี้ยอดไม่ถัดนี่ใสของเต็มเพื่อเสรินความนักเล่หรือความเที่ยของต็มใหจัดตายเป็นของดีขึ้นหรือหากเราจ ะ, จะมาทานรักษาสิ้นให้ตลอดไปมากรักษาสี้นเปดตามวันอุโบสถหรือจะรักษาตลอดไปมากอย่างนี้ก็ได้ไม่ถัดข้องอะไรหรือเราจะ จะมาทานตั้งแต่ในตารแสวงหาเราจะไม่ยินเล่าเราจะไม่เล่นการเท่านั้นอย่างใดอย่างหนึง่งซึ่งเป็นเครื่งขัดขวองต่อตัวของตัวเราจะมาทานมานีตัดมีเพียงไว้ก็เป็นไปเพื่อจนงามความดีอีกเหมือนกันหรือเราจะรักษาความเมตโตเมื่อมันจะโกดขึ้นเราก็มีปติ ผมเอาไว้เพราะเราตั้งใจตั้งศัจจะเอาไว้จะไม่โกรธให้ได้ในตลอดชั้ษาก็เป็นเรื่องความจัดเรื่องของที่เรื่องตัญหาอิจดายือนกันเกิดนั้นในชั้นษาหนึ่งๆยาอยู่เปล่ายาเป็นคนโมฆะหาคุณความดีอะไรไม่ได้จ้า ต, ตั้งใจสมาทานความดีเอาไว้อย่างใดอย่างหนึ่งให้มีในตนของตน ผลคือความดีที่เราสร้างสัจจะพิถานไปปีนี้จะไปต้นใหม่หรือจะเริ่มใหม่หรือเราเคยทำมาแต่หลายปีมาแล้วจะรักาษาผลความดี น, นั้นให้าดคดีขึ้นไปก็ไม่ผิดความดีทุกข์ึ้นทุกส่วนเป็นหน้าที่ของเราจะต้องแต่ทาเองไม่ใช่ว่าคนอื่นจะแต่ทาให้เพราะความดีเป็นของสัพเพสว อย่างเียวตังแตว่ า, ารับประทานอาหารถึงคนรักคนชอบใจบิดามานดาหรือภรรยาสามีของเราบริโภคให้รับประทานให้ท่องใจของเรามันก็ไม่อืน่นเหตุนั้นจะต้องบริโภครับประทานเฉพาะตัวใครตัวเราเราจึงจะอื่นน้นสำส้มสายไหมีกำลังร้างชาไดา้การทำความดีทั่วไปเหมือนกัน ให้ภาจันตัง อ, อกตังใจแต่ทำบำเพ็ญให้ได้ในหน้าพระจ า, าอย่าปล่อยเวลาให้เสียหายใจอุตสาหะพยายามแต่ทำทางกายทางใจของตนเมื่อท่านพระาจ้าตนิดใจชนอุตสาห์พยายามแต่ทำตามโอวาทของพระพุทธเจ้าต่อแต่นั่นใจก็จะมีความสุขตายสบายใจเพราะอั น, นาจความดีที่เราแต่ทำไว้จะ อุดห น, นี่นความซูลตายใจพวกเราเปราะสความสุขคือเราตาดชนทุกกาการในราย ว, วาสารการอธิบายธรรมนี้ขอคุณพระสือรัตนใจความเข้าซูงกับจิตในสารตนและโลกเจ้ามาคุ่งครองป้องกสวันทา ย, ยกอุบาส่งอุบายที่กาทั้งหลายเจ้าใจเปราะสดพบแต่ความสุกตายสบายใจ ศาสนาสิ่งใดขอสิ่งนั้นจงสาเร็จตามความมุ่งมา่นจาสนาทุกที่พาราทีการเอรัวัณสมีด้วยะตะการสมี